ท่านทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังผมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจผมและแตัมมายินดีอโหสิให้ผมก็เช่นเดียวกันถ้าได้ประมาทพลาดพังหมู่พวกเพื่อนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตลอดถึงญาติโยมขอให้หมู่พวกเพื่นอนอโหสิให้เช่นเดียวกันข อ, ขอให้พวกเราจงประสบความสำเร็จตามความมุ่งมาตปรารถนาได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดอหังขมามิตุมเหิป่เมขมามิตาบัง เอวังหูตุเอวังหูตุโยจะปุุเบปมะชิตตวาปัจชาโซ น, นปะมะสติโซมังโลกังปพาเซเตียพมุตโตวจันธีมาอภิวาตนาสีลิสานิจังมุธาปจายิโนโจัตตารโรธรรมาวัทานติอายุวันโนสุขังภาลางังเออถ้าหากว่าพวกอุบายอาจารย์ศรัทธาญาติโยไม่รีบมากนะ รีบไหมยันพิสิทถ้าว่าไม่รีบนะเมื่อหลวงพ่อพูดอะไรจบลงไปแล้วหลวงพ่อจะมีแจกหนังสือของคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําที่หลวงพ่อไปสร้างเจดีย์ที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อหลวงพ่อไปสร้างเจดีย์ที่สำนักพันธ์ชีคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ลงําจังหวัดมุกดาหารเมื่ อ, อ ส, ร ส, ส, าารสร้างจบลงไปแล้วก็คณะกรรมการได้ปรึกษาปาร์บกันว่าควรจะมีหนังสือเป็นที่ระลึกชีวประวัติของคุณแม่ เพราะว่าเมื่อสร้างเจดีย์ขึ้นมาก็าไม่มีใครรู้ว่าประวัติของคุณแม่นั้นเป็นอย่างไรก็ทําให้บางคนอาจจะตําหนิในใจขึ้นมาได้ว่าทําไมจึงสร้างเจดีย์ให้แม่ชีเพราะว่าแม่ขาวแม่ชีบางครั้งก็ทําให้ภาพพจน์ของตัวเองเป็นภาพลบเหมือนกันว่างั้นเถอะอันนี้ก็คือจุดหนึ่งแต่สําหรับคุณแม่ชีแก้วแล้วคุณแม่ได้ตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติตอนี้เมื่อท่านมุ่งมั่นต่อศีลธรรม ท่านก็ได้รู้ได้เห็นทำตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนในยุคสมัยนั้นคือคือยุคสมัยหลวงปู่มั่นที่เดียวละคุณแม่ชีแก้วนะท่านได้ศึกษาได้ฟังธรรมเทศนาจากหลวงปู่มั่นที่เดียวจนถึงที่สุดท่านก็ได้สําเร็จมักสําเร็จผลตามที่ท่านได้กล่าวนะจากนั้นหนังสือชีวประวัติของท่านก็ได้นํามาพูดมากล่าวตามที่ท่านได้บอกเล่าตามที่ครูบาอาจารย์ได้รับรองอย่างองคหลวงตารับรอง ก็ได้พิมพ์เป็นชีวประวัติของท่านขึ้นมาแต่หากว่าไม่พิมพ์เอาไว้ไม่บอกเอาไว้คนทั้งหลายก็อาจจะตำหนิ้ในใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดทำไมจึงสร้างเจดีย์ให้แม่ชีนะอันนี้ก็คือคำถามในจิตใจของผู้ที่สงสัยเมื่อสร้างจบลงไปแล้วหมดไปเงินไปทั้งหมดนะเบ็ดเสร็จบางานหมดไป20กว่าล้านนะหล้านกว่าแต่องเจดีย์จริงๆก็หมดไปประมาณสัก15าล้าน เศษนี่แหะกันอกจากนั้ น, ก, น, อ ก, อนก็คือถนนหนทางผวกรัว้วผวกสระน้าผวกสระบัวผูกทั้งน้ําแลนคืสิ่งที่เกี่ยวข้องนะถนนหนทางก็รวมกันหมดแล้วเป็นเงินออกมานะแต่ว่าได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับ J จดีของคุณแม่เนี่ยยี่สิบล้าน25ล้านเศษก็เสร็จบริบูรณ์ลงไปแล้วแต่ก่อนที่จะเสร็จคณะกรรมการก็เลยไดปรึกษาปารับปกันว่าน่าจะพิมพ์หนังสือชี้ว่าประวัติของคุณแม่นะก็เลยได้พิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ศรัทธาญาติโยมมาเกี่ยวข้องมาทำวัดของพ่อกับพยายามแจกให้แก่ญาติโยมพี่น้องประชาชนผู้ที่เคารพรักนับถือและก็อ่านหนังสือชีวประวัติของท่านแล้วสําหรับพี่น้องประชาชนที่ผู้ได้ศึกษาเพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแตสรุปแล้วท่านเป็นผู้ตัอ้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆริงรู้เห็นตามแนวแถวในหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำไม่ได้ว่าหญิงแต่ไม่ได้ว่าชาย ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วสามารถบรรลุมรคผลได้ด้วยกันทั้งนั้นผู้หญิงในครั้งพระพุทธเจ้าที่บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่มากต่อมากผู้ชายก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในยุคนี้สมัยนี้ก็ไม่มีอะไรแปลกแตกต่างกันถ้าหากว่าพวกเราทั้งอกตั้งใจรักษาศีลภาวนาไม่ว่าหญิงว่าชายล่ะมรคผลดนิพพานก็รอคอยพวกเราท่านทั้งหลายอยู่นะเพราะนั้นเมื่อจบการพูดการอะไรลงไปแล้วนะ จะได้แจกหนังสือแก่ศรัทธาญาติโยมทางว่าพวกเราไม่รีบนะแล้วต่ตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังพวกเรานานๆได้มาพบมาเจอกันปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเป็นวันคารวะธรมวัดรมวัดเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นของพวกเรา ถ้าหากว่าพวกเราไปทําวัดคูบาจารย์ก็เป็นที่รู้กันว่าไปทําวัดนั่นคืออะไรคือไปคารวะมุดน้ําดําหัวไปมีขันห้าขันดอกไม้กลวยดอกไม้เครื่องสักระไปกราบคูบาจาร์ในวันเข้าพรรษาหรือว่าในช่วงพรรษาแต่วันนี้พวกเราได้เข้าพรรษามาเป็นเวลาเกือบเดือนครึ่งเก็คงจะไปกราบคูบาจาร์หลายๆแห่งแต่วันนี้ได้ถือโอกาสมาทางนี้ทางอําเภอนายูงน้ําสม คงจะไปกราบครูบาอาจารย์หลายวัดแต่ละครั้งที่พวกเราออกมาจากวัดก็ไปครวะครูบาอาจารย์วัดนั้นบ้างวัดนี้บ้างยังค่อยกลับถึงวัดแต่วันนี้หลวงพ่อเองก็ยังไม่ได้ถามว่าพวกคณะเราจะไปที่ไหนบ้างแต่คิดว่าพวกเรากคงจะทําอย่างนั้นไปกราบครวะครูบาอาจารย์ในขณะนี้ช่วงนี้ก็มาที่วัดหลวงพ่อแต่ทําวัดครวะจบลงไปแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้พูด กล่าวสมโมนิยกคถาสำหรับหมู่พวกเพื่อนตรอดถึงพี่น้องประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องที่มาจะได้รับรู้รับฟังในสิ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังเพราะการได้ยินได้ฟังนั้นเราจะไปพูดว่าฟังครั้งเดียวพอฟังครั้งนี้เป็นอย่างนั้นฟังครั้งนั้นเป็นอย่างนี้แต่ตามไม่จริงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นหลักนะเหมือนกเราทานอาหาร เราทานอาหารมื้อเดียววันเดียวก็คงจะไม่เพียงพอเราก็คงทานอาหารไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันการฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ท่านก็จะได้ซี้แจงแสดงแต่ละความคิดความเห็นของท่านเหมือนกับแต่ละองค์การไปทำมาค้าขายของท่านบางองค์ก็ไปทําไร่ทํานาทํททรารัา้วทําสวนทำราชการงานเมืองทํามาค้าขายท่านได้ผลกําไรอย่างไร ท่านก็มาชี้แจงให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ฟังว่าทำมาค้าขายอย่างนี้นะได้กาไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรรักษาศีลมาอย่างไงท่านก็จะได้มาชี้แจงให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นตัวอย่างสรุปแล้วก็คือสูสู้สังรัะสะเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาใครๆพวกเราไปที่ไหนให้ตั้งอกตั้งใจฟังถ้าตั้งอกตั้งใจฟังแล้ว จะเกิดปัญญาในการได้ยินได้ฟังนั้นวันนี้ก็คิดว่าพวกเราท่านทั้งหลายมาสู่สำนักของหลวงพ่อก็หลวงพ่อจะได้พูดในเรื่องเราภาคปฏิบัติให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังอันดับแรกก็พวกเราบวชมาในพทุทธศาสนาบวชมานานก็มีบวชมาเพื่อเป็นคารเทศะคือบวชสเดือนก็มีตามประเพณีแต่ถ้าว่าผู้บวชตัอ้งอกตั้งใจบวช ก็แปลว่าเป็นนักปวชอาชีพเป็นผู้ตั้ง อ, อกตั้งใจประพุทธปฏิบัติยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราต้นตระกูลใหญ่สุดก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มันต่อมากือหลวงปู่ต่างๆที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้รับรู้หลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เขาจนถึงองค์สุดท้ายที่ยังมีชีวิตเกิดคือหลวงตามหาบัวสรุปแล้วก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้น ล้วนแล้วแต่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามชีวประวัติของท่านท่านอยู่ในป่ารงพงไพ่เกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะหลายครั้งจึงได้พระธรรมคําสั่งสอนว่าได้ภาคปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าท่านไปสวดแสวงหาปฏิบัติอยู่ในป่ารงพงไพ่ตามลําพังท่านได้อย่างไรท่านมีความรู้ความเห็นอย่างไรท่านได้สมาธิอย่างไรท่านได้ปัญญาอย่างไรท่านก็ได้เอาความรู้ที่ท่านได้ประสบประการนั้น มาแนะนําสั่งสอนให้แก่พวกเราได้รับทราบแล้วก็พวกเราก็จะได้นําไปประพฤติปฏิบัติอันไหนถูกกับจริตของเราเสมช่วงว่าเราไปฟังหลวงปู่เทศท่านพูดให้ฟังอย่างนี้อย่างนี้เราชอบใจเออหลวงปูน่นี่ท่านพูดเราชอบใจถึงใจเราเราก็นําทําคําสั่งสอนของท่านมาปะปุงกายวาจาใจของเราแต่เราไปฟังองค์หลวงตามหาบัวเราเออหลวงตามหาบัวนี่พูดถูกเออฟังแล้วถึงใจ เราก็นำรมคำสอนของหลวงตามหาบัวมาประปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราแต่ถ้าบอกเมื่อเราไปฟังองนั้นบัางองนี้บังหลายๆองค์ผสมประสานกันเออองนั้นได้ความรู้อย่างหนึ่งได้ความคิดอย่างหนึ่งที่ท่านสอนเข้าใจองนี้เออท่านก็ให้เรื่องศีลอธิบายเรื่องศีลเออเข้าใจอ น, นั้นองนั้นเออท่านอธิบายเรื่องสมาธิเรื่องเริ่มต้นของสมาธิฟังแล้วเข้าใจ เราก็ อ, อาศัยการฟังหลายๆท่านมาผสมผสานกันจากนั้นก็มาปรปับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราให้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสั์สมบัติส่วนตัวของเราแต่ที่แรกเราก็ได้นําความรู้จากท่านในสถานที่ต่างๆจากนั้นมาเราก็ได้นํามาปรปับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราและก็เป็นสมบัติของเราเองคู่บาอาจารย์เหล่านั้นท่านเหล่านั้นหลวงปู่หลวงตาของเราท่านไม่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนจากพวกเราอเป็นหน้าที่ของพวกเรา โดยตรงที่พวกเราจะนํามาประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นที่เราไปโ ส, ะสะแสวงหาหรือพอไปฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ในสํานักต่างๆจึงนัว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเอเป็นสิ่งที่ถูกต้องสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไรจินตามยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการจินตนาการใไขควรทบทวนเหตุและผลที่พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วอันนี้เรียกว่าจินตมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตให้สงบซะก่อนทําจิตให้เป็นหนึ่งซะก่อนแล้วนําจิตที่สงบจิตที่เป็นหนึ่งนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเกิดปัญญาที่แท้จริงอันนี้เรียกว่าภาวนามยะปัญญา ทั้งสุดตรรมยปัญญาก็าดีจินตธมยปัญญาก็าดีเป็นวิชาของทางโลกวิชาทางโลกเขาทํากันเนี uh huh. วิชาแขนงไหนที่เขาเรียนต่างๆทั่วโลกเป็นอยู่อย่างนั้นสุดตรรมะปัญญากับจิตธมยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญานี่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือภาวนามยะปัญญานี่ต้องทําจิตให้สงบซะก่อน ทำจิตให้นิ่งซะก่อนจึงจะพิจารณาจึงเกิดปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าว่าจิตใจของเรากระสับกระส่ายวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นอนิจจังก็เห็นแบบเรือนลางเห็นทุกขังก็เห็นแบบเรือนลางเห็นอนัตตาก็เห็นแบบสัญญาสังขารไม่เห็นด้วยปัญญาที่แท้จริงเพราะฉนั้นแต่ว่าภาวนาเมย์ปัญญาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องทำให้เกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเรา แต่ก่อนที่จะถึงภาวนามาย์ปัญญาเราก็ต้องอาศยัยการได้ยินได้ฟังซะ ก, ก่อนปินเบื้องต้นว่าสุดตมย์ปัญญาเฮ้ก่อนที่จะถึงภาวนามยปัญญาต้องสุดตามย์ปัญญาก่อนอาศยัยการได้ยินได้ฟังท่านแนะนําสั่งสอนจากนั้นก็จินตรามยปัญญาเราก็ไขควรที่เราได้ยินได้ฟังแล้วนํามาทบทวนเออที่ครูบาอาจารย์บอกในหนังสือก็ดีบอกในเทปก็ดีถูกต้องเรายอมรับจากนั้นก็นํามาปฏิบัติ จะว่าภาวนามยปัญญานะจริงจะเกิดขึ้นเป็นของที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไปนั่งสถานถิ่นใดก็ตามไปนั่งฟังที่ใดก็ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนหรือไปฟังเทศหรือซีดนะีที่พวกเราได้นําไปเปิดฟังนะล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายทั้งนั้นแหละนะสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นกุกายวาจาใจของพวกเรานะ เนี่ยสำหรับพวกพระหมู่พวกเพื่อนอการเป็นอยู่อันดับแรกก็คือศิลป์ศรีราจารวัตรที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเน้นหนักเน้นหนาพวกเราจะมองข้ามเป็นอย่างอื่นไม่ได้หลวงปู่มั่นที่ตนตระกูลของพวกเราหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าศิลปอาบัติเล็กน้อยเราไม่ควรจะมองข้ามเราควรจะถือเสมือนผงโทรีคือผงธูลีเป็นของเล็กน้อยเราไม่ควรจะมองข้าม ถ้าว่ามันเข้าตาเรามากๆก็ทําให้ตาของเราฟ้าฟางได้อาบัดเล็กน้อยก็เช่นเดียวกันถ้าเราล่วงละเมิดอวบัดเล็กน้อยอวบัติทุกข์กดอวบัติเล็กน้อยไม่เป็นไรถ้าเราล่วงละเมิดบ่อยๆการกระทําของเราบ่อยๆกระทาให้จิตใจของเราเศร้าหมองมองไม่เห็นสัจจะคือของจริงได้เหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นเรื่องศีราจรวัตรเรื่องศีลของพระท่านจึงเน้นหนักให้มีศีลพระสงฆ์องค์ เ, เจ้าต้องเป็นผู้มีศีล ถ้าว่าพระสงฆ์ที่มีศีลแล้วไปในสถานทิณใดที่ใดเป็นพระที่น่ากราบไหว้สักการบูชาเห็นแล้วก็น่ายกมือไหว้เพราะท่านกิริยามนุษย์สวยงามแต่ถ้าว่าพระโคโลโกโศไปที่ไหนมีแต่พูดจาพาทีแสดงอากับกิริยาเหมือนนักเลงหัวไม้ เ, <อ>เห็นแล้วก็ไม่น่าเคารพไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าศรัทธาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่หลวงปู่มั่นท่านว่า ผงฝุ่นทุเีเข้าตาคนง่ายทําให้ฝ้าฟางขอนอยูงขอนยางจะไม่ค่อยเข้าตาคนเพราะมันใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันไอ้พวกนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีคุณลิตมีอัตตะปะเป็นพื้นฐานให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบมาเจอกันกันกบผมผมก็ได้เจอกันกับหมู่คณะก็ควรจะพูดกันเรื่องเกี่ยวกับวินัยการเป็นอยู่คือสีรายจรวัตเนี่ย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านเน้นหนักเน้นหนาจริงๆนะเรื่องศิลศิลาจารวัตเนี่เพราะฉะนั้นพวกเราขอจะได้มองข้ามชีวิตประจําวันของพวกเราเนะี่ยคืออะไรตลอดถึงการอยู่การฉันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็นแนะนําสั่งสอนโดยละเอียด อ, อย่างเสกียวัตเนี่ยต้องสอนกันต้องบอกกันมาอยู่เสมอการฉันเป็นยังไงการคองผ้าเป็นยังไงตั้งแต่การคองผ้าเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อย เราจะรับบินทบาทโดยเคารพเมื่อรับบินทบาทเราจรักแลดูแต่ในบาทเราจะไม่เดินแบบลกลกโลกเลกเลกแต่บางแห่งบางสถานที่หลวงพ่อเคยเห็นแต่วัดหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านห้ามเด็ดขาดเวลาไปบินทบาทนะ่ยท่านห้ามสูบบุหรี่เนีท่านบอกว่าไม่ใช่สถานที่จะสูบบุหรี่ในการเดินทางไปบินทบาทมันจะตายขนาดนั้นเชฉลอะห้ามนะจะให้เราได้เห็นนะอันนี้คือสมัยผมไปอยู่เป็นเวลา10กว่าปีอยู่กับองค์หลวงตา หลวงตาจะห้ามโดยเด็ดขาดจะไม่ให้มีพระสูบบุหรีเดินบินทบาตทต่างเคี้ยวหมากท่านก็ไม่เคี้ยวอีกต่างหากตัวของท่านทังที่ท่านก็ติดมากและท่านไม่เคี้ยวหมากในขณะที่ท่านเดินบินทบาทเดินบินทบาทก็คือเดินด้วยความส้ำรวมเดินด้วยความระวังเดินภาวนาไปด้วยขาขวาพุทขาซ้ายโทพุทโถพุทโทแต่เมื่อท่านเดินบินทบาทของท่านท่านจะไปตามลําพังแต่พวกเราก็าพยายาม เดินไม่ให้ห่างท่านจนเกินไปเขามองเห็นท่านได้เผื่อท่านมีอุปสรรคหรือว่าท่านไม่สบายอะไรเกิดขึ้นพวกเราเกิดจะได้เห็นไม่ใช่ว่าไปจนลิบหงลิบตาจนมองไม่เห็นท่านเเลยอันนั้นแปลว่าลูกศิษย์ไม่คิดนะอันในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าท่านก็ไม่ให้เดินใกล้ท่านจนเกินไปท่านลำคาญท่านก็จะเดินตามหลังไปเรื่อยๆพวกเราก็เดินไปก่อนท่านอันนี้ก็คือเดินบินทบาทเดินบินทบาทโดยเคารพนะเมื่อบินทบาทเราจัดแลดูแต่ในบาท เราจะไม่แลดูหน้าทายกทายิกาญาติโยมที่เมาใส่บาตรเราจะไม่มองหน้าเขาเราจะส้ำรวมแต่บาตรอันนี้แปลว่าการบินทบาตด้วยความเคารพบิณทบาตกว่าเดินจงกรมไปด้วยขาซ้ายพุทธาสขวาโทพุทโทพุทโทโอันนี้แปลว่าบินทบาตไม่คุยกันนะไม่พูดขยโญงของเขียงในที่สาธารณะจับกลุ่มคุยกันญาติโยมหัวเ ข, ขประนั่งนมมือข้างถนน พระก็เดินคุยการผ่านหน้าเข้าไปโดยที่ไม่สำรวมไม่ระวังดูแล้วไม่เหมาะคนอื่นเห็นแล้วไม่เหมาะพระที่เดินไปก็ต้องไปด้วยความมีเมตตาภาวนาไปญาติโยมเขายกมือไหว้เขา ก, ก็จะได้บุญจากเราเพราะเราภาวนาไปไม่ใช่เราพูดเรื่องอะไรโต้เถีองอะไรญาติโยมเขาก็นั่งปนมมือแตะข้างถนนอันนี้หลวงตามหาบวตโดยมากท่านจะห้ามอาท่านจะว่าให้ เรามาพิจารณาดูแล้วก็จริงอย่างที่หลวงตาพูดนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดสําหรับหมู่พวกเพื่อนทุกๆองค์พราพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเป็นแนวความคิดเอาไว้ถึงจะปฏิบัติไม่ได้หรือได้ให้คิดเอาไว้ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะถูกไหมเ่ยจากนั้นเมื่อมาถึงแล้วก็จัดอาหารใส่บาตรการจัดอาหารใส่บาตรเนี่ยท่านก็มองอีกนะเวลาอาหารเข้าอยู่ในบาตรเนี่ยท่านจะยกเป็นก้อนข้าวขึ้นมามาตกแต่งข้างนอกโดยมากท่านจะดุ ท่านบอกว่าเออทำไมมันยกขึ้นมาทําไมเอออาหารก้อนใหญ่ก้อนเล็กท่านพูดจยาไปแล้วท่านบอกขี้ก้อนเล็กขี้ก้อนใหญ่ก็ให้เขาเห็นหมดทําไมไม่จัดให้อยู่ในบาตให้เรียบร้อยต้องจัดอยู่ในบาตให้เรียบร้อยสอิจะยกขึ้นมาทําไมอันนี้ก็คือท่านสอนอจากนั้นเวลาท่านเข้ามานั่งฉัน เ, เวลาก่อนจะฉันต้องพิจารณาซะก่อน อันนี้คือพระแนวแถวของพระพุทธเจ้าแนวแถวของครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงปู่ควันท่านบอกว่าสมัยก่อนก่อนที่จะฉันอาหารเนี่ยองค์ไหนบวชมาใหม่เรียนปฏิสังขายโยนิโสบินดาปาตังไม่ได้ต้องให้เนนน้อยสวดคาถาก่อนเหมืนกันเถอะจมคาถาดับไฟนรกก่อนเสกคาถาปฏิสังขายโยนิโสจีรบินดาปาตังปฏิเสวามิเทวะทวายะธรรมทายะเสกคาถาจะก่อนเป่าเส้ปั้นข้าวแล้วก็ให้พระใหม่ฉัน เพราะว่าผ้าใหม่ยังเสกคาถาไม่ได้เพราะงั้นอ่ะผ้าไหม่ก็ฉันวาดับไฟนรกก่อนแต่นี้พอมาถึงจุด ข, ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านได้เรียนได้ศึกษาในพระบาลีแล้วจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรท่านบอกว่าเวลานั่งประจําที่แล้วให้พิจารณาอาหารอยู่ในบาตรปฏิสังขาโยนิโสบินณปาตังให้ซ้ารวมดูซะก่อนเมื่อจัดอาหารแล้วอย่าไปฉันแบบรีบฉันอย่าไปฉันแบบมุมมาม ฉันแบบมีสติตามมาเงนินนะให้ดูบาทเจ้ก่อนแล้วค่อยฉันก่อนที่จะฉันกับพิจารณาปฏิสังขายโยนิโสบินดปาปาตังก่อนข้าพเจ้าฉันปตาาัตสาวะฉันอาหารในครั้งนี้เพื่อบำรุงร่างกายให้อยู่ได้แบบสมมณะข้าพเจ้าไม่ใช่ทานอาหารเพื่อเพาะให้ร่างกายของเราเข้มแข็งแข็งแรงเป็นนักปั้มนักมวยไม่ใช่อย่างนั้น ร่างกายของเรานี้ถึงเราจะเลี้ยงอิ่มหมีพีมันขนาดไหนทนุถนอมเส่งขนาดไหนร่างกายของเราเนี่ยก็จะต้องแก่จะต้องเก็บจะต้องตายในที่สุดไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าทานอาหารเข้าไปก็เหมือนกับเรารดต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้อยู่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเราทานอาหารเข้าไปในร่างกายของเราเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติพร ม, มจันทร์ เพื่อหาทางพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปออการพิจารณาปฏิสังขารหรือว่าการดูในบาตรต้องพิจารณาอย่างนี้ก่อนที่จะฉันในเมื่อขณะที่ฉันเราจะไม่ฉันทางจับจับเราจะไม่ฉันทางสูดสูด้เราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากอันนี้อยู่ในพระวิ น, นัยเสกียวัตรทั้งหมดเราจะไม่ฉันโปรยมเมล็ดข้าวตกลงในบาตหรือในที่นั้นๆ สิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนและก็นอกเหนือจากนั้นไปอีกเวลาท่านบอกว่าเวลาจะฉันกล้วยก็ดี เ, เวลาจะฉันกล้วยปอกกล้วยไม่ควรจะให้ผลปากบาดขึ้นมาควรจะปอกเปลือกในบาดเสร็จเรียบร้อยทำเป็นคำแล้วค่อยฉันอย่างผักก็เหมือนกันอย่างผักที่จะฉันเราก็ไม่ควรจะยกขึ้นมาเหนือจากบาดแล้ว่อยฉันเข้าปากอันนี้มันดูแล้วไม่งาม คือทำให้เป็นคําอยู่ในบาดซะก่อนม้วนมวนให้เสร็จเรียบร้อยยังค่อยเข้ามาฉันฉันก็ฉันด้วยความระมัดระวังอย่าไปเคี้ยวจนดังกวบกวบฮอย่างแตงอย่างถั่วอย่างนี้พอเข้าไปในป่าแล้วเคี้ยวกวบกวบท่านบอกว่าดูสิขนาดหูกับปากอยู่ใกล้ปากตนเองแท้แทไม่ได้ยินเราอยู่ไกลๆเลยเราได้ยินว่าเคี้ยวอะไรเคี้ยวถั่วหรือเคี้ยวแตงแสดงว่าลถเข้าไปเตะลิ้นเท่านั้นหูดับ เฮ้หูดับขาดสติโดยมากท่านจะกล่าวอย่างนี้ท่านจะสอนอย่างนี้เพราะนั้นการเคี้ยวอาหารเสียงดังอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ให้ระมัดระวังอย่าไปเคี้ยวอาหารเสียงดังและเวลาฉันก็เหมือนกันเวลาฉันเนี่ยพอฉันก็ไปผ้าหลุดลุ่ยโดยมากจะเห็นกันนะทุกวันนี้เห็นบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมพานจเจ้าอาวาสพอฉันจังหันขึ้นมาผ้าเนีไม่เอาทิ้งหมดแต่ลงตาไม่ได้ ท่านบอกว่าต้องคลองผ้าให้เรียบร้อยในขณะที่ฉันไม่ใช่ว่าพอรถเข้าเตะลิ้นเท่านั้นเองผ้าหลุดลุ่ยไปหมดใช่ไม่ได้ต่อไปจะเป็นอุปนิสัยแก้ยากดูแลไม่งามตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันไม่งามแต่คนอื่นดูแล้วไม่น่าดูเพราะนั้นให้ระมัดระวังผู้ที่จะเป็นหัวหน้าผู้ที่จะเป็นสมภารเจ้าวัดผู้ที่จะเดินตามแนวแถวของพระพุทธศาสนา ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์การฉันก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ผ้าหลุดร้วยออกจากตัวเองอันนี้ก ท, ท่านสอนไว้หมดอันนี้คือการอยู่การฉันตลอดถึงการเข้าสมาคมชุมชนสังคมท่านบอกว่าเวลาปนมือสวดมนต์ก็ดีสวดพระปริตตะมงคลในสถานที่ต่างๆบางองค์ปนมือขึ้นมาไม่พนหัวเข่าตัวเองตามไม่จริงการเข้าสมาคมชุมชน การยกมือไหว้หรือว่าการทำวัดด้วยการไหว้พระต้องปนมมือในระหว่างอกต้องทำด้วยความตั้งใจถ้าว่าทำอย่างที่ไม่ตั้งใจเออตาก็เถอะไปอีกอย่างหนึ่งด้วยตาก็หลับแต่มือไปอยู่นู่นอยู่หัวเขา่าอยู่ในระหว่างขาเน่ะเออทำอะไรด้วยความไม่ตั้งใจถ้ามีคนมาถ่ายภาพรูปถ่ายรูปขึ้นมาเมื่อเป็นพระเถระผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเคยเป็นนิสัยอย่างนั้นมาแล้วภาพออกมาไม่สวยเลย ไม่น่าดูคือว่าการกระทําไม่ตั้งใจไม่มีความมุ่งมั่นในใจเหมือนกับทําแบบลอยๆลักษณะอย่างนั้นเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากให้กับหมู่พกเพื่อนพวกอง์นะว่าเป็นกฎระเบียบก็ว่าได้ว่าเป็นมารยาทก็ว่าได้อันนี้เป็นแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมได้ศึกษามานะผมได้ฟังมาแต่ผมก็เชื่อมั่นอย่างนั้นด้วยว่าที่ทําอย่างนั้นถูกต้องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนนะั้ถูกต้องแต่ว่าการกระทําอย่างนั้น ดูแลไม่สวยงามจริงๆตามสายตาของผมเพราะฉะนั้นผมจึงได้นํามาเล่ามากล่าวให้หมู่พวกเพื่อนได้ฟังต่างกลัมต่างวาระบางทีมีโอกาสผมก็ได้เล่าให้หมู่พวกเพื่อนฟังวันนี้ก็ได้มาพบมาเจอหมูพวกเพื่อนหลายองค์ผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็มีเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาที่หลวงพ่ออินพูดเนี่ย <c oughs> ถูกไหมนี่ยแต่ผมคิดว่าผมพูดถูกนะผมจึงได้พูด ถ้าผมคิดว่าผมพูดผิดผมจะไม่พูดนะผมแน่ใจว่าผมพูดโงกนะผมจะไม่พูดให้หมู่พวกเพือนเป็นคติหรือว่าเป็นแนวความคิดอันนี้แปลว่ากฎระเบียบและการอยู่ร่วมกันความสวยงามในชุมชนสังคมของพระสงฆ์นะอันนี้ถ้าสรุปแล้วก็คือจัดเป็นหมวดศีลเนื่องศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลในส่วนธรรมนั้นคือธรรมะปฏิบัติเข้าสู่จิตใจเราจะคิดยังไง ทำจึงจะคุ้มครองเราจึงจะคิดในทางที่ถูกต้องคิดในทางที่เป็นธรรมได้อันนี้ต้องอาศัยสมาธิธรรมสมาธิธรรมก็คือพยายามตร่รอมใจของเราที่ปุงฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกคิดปุงเรื่องต่างๆเรื่องไม่เป็นเรื่องเราไม่เป็นเราพยายามให้มาอยู่ในความสงบเราจะทํำยังไงจึงจะให้จิตสงบได้อันนี้ต้องกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหรหัสสาวก หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ของเราแนะนําสั่งสอนพวกเราเมื่อได้ฟังจากครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ของเราแล้วหลวงปู่เทศก็ดีหลวงปูล่ลาหลวงตาหมหาบวัวหลวงปู่เลี้ยงครูบาอาจารย์ของเราดีโดยมากท่านจะให้นั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันดับแรกท่านให้ยึดพุทโธเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธนี่แหละเป็นหลักสําหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของพวกเราเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบ เรีวยกว่าบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ให้มันคิดไปทางอื่น บ, บับงคับบังคับหนึ่งคืออะไรพวกเราเคยเห็นไหมการบังคับคนถ้าบอกคนรื้อด้านคนเป็นนักโทษนะเขาจะต้องจับมาใส่ซวัสดตัวนใส่กองแขน บ, บังคับไม่ให้มันเก่งเหมือนตะก่อนไม่ให้มันรื้อเหมือนตะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันการบังคับจิตก็คือบังคับเข้ามาหาสมาธิคือให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพุทโทพุทธโธอันนี้แปลว่าบังคับให้จิตใจของเราเข้ามาสู่จุดหรือมาสู่กรรมฐานจุดใดจุดหนึ่งให้จิตเข้าถึงความสงบจากนั้นเมื่อเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามทำโดยสม่ําเสมอจิตใจของเราก็จะไหลเข้ามาสู่ความสงบเรื่อยเรื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ให้มันส่งออกไปข้างนอกแต่นี่พอจิตเริ่มถึงความสงบแล้วบางคนนะ บางคนก็จิตใจเหมือนกับตกเหวตกบ่อก็มีนะมันวูบไปก็มีบางทีก็คณิกะสมาธิมันแฟบเข้าไปเหมือนกับน้ำเย็นเข้าสู่จิตใจของเราน่ชั่วขณะหนึ่งใจของเราเย็นสบายในขณะหนึ่งอ่าอันนี้เปลว่าคณิกาบางทีก็เหมือนกับมันเหาะเหินเดินฟ้าบางทีก็หลุดลอยไปไม่รู้ไปที่ไหนแต่ว่ารู้สึกอยู่แต่มันไม่รู้มันไปยังไง บางทีก็เกิดนิมิตต่างๆเข้ามา เ, ออเห็นผูดผีปีศาจเห็นเทวบูตรเทวดามันมีหลายวิธีในขนาดที่เรานั่งสมภาธภาวนาเนี่ยแต่อย่างไงก็ตามประมวลลงแบบง่ายๆก็คือจิตจะไปประเภทไหนเห็นอะไรรู้รเห็นเรื่องอะไรก็ตามอย่าให้หนีจากคำวิกรรมพุธโถเมื่อเราไปเห็นนิมิตต่างๆไปเห็นผู้ผีปีศาจ ท, ที่เรากลัว ให้ย้อนจิตเข้ามาหากรรมฐานเดิมที่เราตั้งเอาไว้เบื้องแรกก่อนเราภาวนาอะไรกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโต้ก็ย้อนจิตตัวนั้นเข้ามาหากรรมฐานเก็บนิมิตต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปโดยปริยายหรือว่าหายโดยฉับพลันเพราะว่าจิตของเราไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านั้นเข้ามากรรมฐานเดิม่พุทธโถพุทโถนิมิตเหล่านั้นก็จะหายไปทอนี้เมื่อบางที่บางท่านบางคนภาวนาเข้าไปเข้าไป ลมก็หมดร่างกายก็หมดแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ย้อนเข้ามาหาลมอีกก็หยาบขึ้นมาอีกย้อนมาหากายอีกกายก็หยาบขึ้นมาอีกเพราะนั้นขณะที่เราหมดลมหายใจหรือว่าหมดร่างกายร่างกายมันหายไปหรือลมมันหยุดไปอย่างนี้ให้เราดูให้เราดูตัวผู้รู้ทีนีเออ้เราไม่ต้องสนใจ้มันจะหายไปที่ไห น, นถ้มันหายไปแต่ผู้รู้ตัวผู้รู้ยังอยู่ รู้รู้นี่ยังอยู่ใครรู้ว่ามันลมหมดใครรู้ว่าลมมันหายไปใครรู้ว่าร่างกายหายไปใครรู้ว่าลมมันหมดไปเอาสติจับอยู่ตัวผู้รู้นั่นแหละมมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นทีนี้ดูตัวผู้รู้ไม่ต้องดูที่อืน่นอันนี้เราวิธีการปฏิบัติจากนั้นจิตมันก็จะต้องดิ่งเข้าไปสู่ความสงบละเอียดลงไปอีกอันนี้ไม่ต้องพูดปรลยลยไปถึงจุดนั้นสรุปแล้วก็คือสมาธิมีอยู่สามขั้น คณิกาสมาธิสมาธิเข้าสู่ความสงบแบบชั่วคู่ชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิสมาธิที่สติกับจิตควบคุมกันอยู่จิตคิดเรื่องอะไรสติควบคุมรู้ได้ว่าเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้เรามีสติอยู่กับตัวเองอันนี้เราอุปจารสมาธิแต่มันยังไม่สงบแต่อปปนาสมาธิมันดิ่งลงไปจนไม่รับรู้ในส่วนร่างกายหูไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินเสียงอะไรข้างนอกไม่ได้ยินตาไม่เห็นแปลว่าสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นแยกกันไม่ออกสติกับจิตอันนั้นแปลว่าสมาธิที่สูงสุดสมาธิที่ลึกซึ้งที่สุดในบรรดาสมาธิเรียกว่าอัปป น, นาสมาธิไม่เกินกว่านั้นจากนั้นก็ถอนขึ้นมาสู่การพิจารณาต่อไปเอ่ม แต่เราทำสมาธิเพียงแค่นั้นก็ได้เพียงแค่นั้นนะไม่ควรจะหยุดอยู่เพียงแค่นั้นเมื่อกิจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปทีนี้พิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายพิจารณาอะไรพิจารณาเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหลังอันนี้คือกรรมฐานหลักที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนเอาไว้ให้พิจารณาตัวนี้ผมมันเกิดอยู่ในสันฐานอย่างไร หยุดบนศีรษะของเราเกิดมาลักษณะไหนขนเกิดมาลักษณะไหนเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บเล็บมันเกิดอยู่ในลักษณะไหนท่านตาฟันตะโจหนังหนังมันหุ้มร่างกายของเราอยู่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคือหนังหุ้มอเอาไว้ถ้าพิจารณาเข้าไปสวด เ, เข้าไปมังสังเนื้ออย่างพวกเราสวดอาการ32อย่างนั้นเนี่ยมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหวัวใจตับพังผืดไล่ไปเรื่อย คืออยู่ในร่างกายของพวกเราทั้งหมดสรุปแล้วก็คืออาการ32อในอยู่ในร่างกายของพวกเราให้พิจารณาตามความเป็นจริงอันไหนเป็นร่างกายของเราผมเป็นร่างกายของเราใช่ไหมแยกส่วนแบ่งส่วนดูสิถอนผมเอาไว้กองหนึ่งผมเป็นของเร า, ใ, เร า, ใ, เราใช่ไหมขนเป็นของเราใช่ไหมถอดเล็บออกมาถอดเล็บเล็บของเราเป็นของเราใช่ไหมฟันกองไว้กองหนึ่งเป็นของเราใช่ไหมหนังเป็นของเราใช่ไหม เนื้อเอ็นกระดูกเป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองอันไหนคือขนอันไหนคือเราอันนั้นคือผมอันนั้นคือขนอันนั้นคือเล็บอันนั้นคือฟันอันนั้นคือหนังอันนั้นคือเนื้ออันนั้นคือเอ็นอันนั้นคือกระดูกอันนั้นเยื่อในกระดูกอันนั้นม้ามอันนั้นตับนั้นหัวใจพังผืดสลบแล้วถ้าแยกส่วนแบ่งส่วนไปแล้วไม่ใช่ของเราเอไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะฉะนั้นท่านให้แยกส่วนแบ่งส่วนมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมในร่างกายของเราถามตัวของเราดู ถามใจของเราดูร่ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าเราแยกส่วนแบ่งส่วนเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันคงจะปฏิเสธไปได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านว่าให้พิจารณาตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีอะไรบ้างอยู่ในนี้ถ้าว่าพวกเราไม่เห็นนะหรือว่าเราไม่เห็นร่างกายเราจะพิจารณากระดูกก็ได้สมมติว่าเราเดินจงกรมอย่างนี้เราบวชเป็นชีพราหมณ์แล้วบวชเป็นพระบวชเป็นชีอย่างนี้เราเดินจงกมง ร, รม ให้เราประนมมือและเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จบแล้วขาขวาพุทขาซ้ายโถบริกรรมพุทธโถพุทโถจากนั้นกําหนดดูกระดูกเดินหนสิร่างกายของเรานี่กระดูกเป็นโครงสร้างอยู่ในร่างกายขาขวาพุทธขาซ้ายโถแต่เป็นโครงกระดูกตรงนั้นตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงฝ่าเท้าเป็นโครงกระดูกเดินดูสินี่ร่างกายเป็นโครงกระดูกอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้แปลว่า ได้ทั้งพิจารณาได้ทั้งวิปัสนาได้ทั้งสมาธิอยู่ในขณะเดียวกันเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายใจของเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นกระดูกจริงๆเนะี่ยอันนี้ก็คือวิธีการเดินจบ ก, กลมของพวกเราหรือวิธีการนั่งสมาธิก็เหมือนกันเรานั่งตามลำพังของเรากําหนดลมหายใจเข้าออกเข้าสู่ความสงบพอเป็นพื้นฐานแล้วเราก็พิจารณาทางวิปัสนากําหนดกะโหลกศีรษะของเราขอนะกะโหลกศีรษะเราเป็นยังไง มีตาโหวมีจมูกเวกมีขากรรไกรและก็มีฟันจากนั้นก็ลงมาต่อที่คอคอของเราเป็นข้อคอจากนั้นก็ลงมาถึงแขนเป็นกระดูกทางนั้นถึงฝ่ามือแขนซ้ายจากนั้นก็แขนขวาจากนั้นก็ลงมาหาชี้โครง ม, ah มหากระดูกสันหลังมหาบั้นเอวมหากระดูกสะโพกมากระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้าร่างกายของเรามีกระดูกใช่ไหมเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกัน ร่างกายเป็นกระดูกจริงๆในเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเราได้อะไรพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราได้อะไรได้รู้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วกิเลสในใจของเราเนี่ยถ้าเป็นลาคะมันว่าสวยงามเออมันจะสวยงามได้ยังไงเมื่อร่างกายเราเป็นอย่างนี้เออจะว่ายศถาบรรดาศักเงินคาทรัพย์สมบัติที่พวกเรายึดมั่นถือมั่น ขนาดร่างกายของตัวเราเราก็ยังไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวของเรามันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ทําไมเราจะไปหายึดสิ่งภายนอกอันนั้นบ้านของเราที่ดินของเราเลือกสวนไรนาของเราทรัพย์สมบัติของเราแต่สิ่งเหล่านั้นขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเราแต่สิ่งภายนอกเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรอันนี้ก็คือตัดกิเลสภายในจิตใจของเราแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะเราทําอย่างนั้นได้ยังไงเพราะเราไม่ใช่เป็น พระสงฆ์องค์พระเจ้าเราเป็นศรัทธาญาติโยมจริงศรัทธาญาติโยมก็ควรพิจารณาควรจะรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่เมื่อเห็นตามความเป็นจริงเราไม่ใช่เราจะไม่ทําในสิ่งเหล่านั้นเราก็ทําแต่เราก็รู้รู้ด้วยทําด้วยคือรู้ว่าอย่างไงรู้ว่าเออร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งเราต้องตายแน่นอนเไม่เป็นอย่างอื่นแต่ถึงยังไงก็เถอะก่อนที่จะตาย เราก็ต้องมีธาตุมีขันนี่แล้วเราก็จําเป็นจะต้องมันขยันอดทนทำมาหาเลี้ยงชีพอย่าให้ขาดตกบกพร่องเมื่อเราเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นศิษย์ก็เป็นศิษย์ที่ดีคือสรุปแล้วคือให้ทําดีที่สุดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่าให้ขาดตกบกพร่องแต่ในส่วนจิตใจของเราแล้วให้เราคิดไว้อยู่เสมอว่าถึงเราจะทําดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเข้าสู่เมน ต้องถูกไฟเผาแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีเราควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจตามหลักของพระพุทธศาสน า, าแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วตรัสไปแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไปฝึกหัดบำเพ็ญอยู่ในป่าดงพงไพ่ต่างองค์ก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างไรพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะั้นเป็นจริงอย่างนั้นไม่มีการ แต่เปลี่ยนไปอย่างอื่นไปได้เพราะพุทธเจ้า่ตายแล้วเกิดอีกนะพราะพุทธเจ้าตัดสรุที่โคลนต้นโพผูพระองค์ท่านบอกว่าปุเพนิวาสารุสติยาระลึกชาติหผนหลังได้แปลว่ามีชาติอดีตถ้าว่าตายแล้วศูนยนะมีชาติเดียวพุทธเจ้าคงจะไม่มีวะระลึกชาติหผนหลังได้จะเลลึกได้ยังไงเมื่อชาติที่แล้วไม่มีเกิดมาชาติเดียวไม่เป็นอย่างนั้นชาติที่แล้วมีชาติก่อนมีติดภพติดชาติเพราะแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนา หลวงปู่เทศหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เขาท่านก็ยอมรับว่าร่างกายสังขารนีตายจริงแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้พวกเราปฏิบัติตามแถวแนวนี้นะได้เมื่อตายแล้วไม่สูญเราจะทำยังไง แล้วก็ควรจะสั่งสมบุญกุศลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาวันนี้แหละมาทําวัดคูบายจารย์มาให้ทานรักษาศีลมาภาวนาทุกวันพระไปรักษาศีลที่วัดคูบายจารย์ไปภาวนาเพื่อสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราในเมื่อผู้ใดมีบุญมีกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วจิตใจของคนนั้นก็จะได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขระลึกขึ้นเวลาใดใจของเราก็สบายไม่เดือดไม่ร้อน่าม ใจของเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลนะมีแต่หาอยู่หากินเป็นวันวานนะถึงจะไม่ได้ทําความชั่วเสียหายอย่างมากไม่ได้ป่นได้กีดได้ฆ่าได้โคตรไโกงใครก็ตามแต่เราไม่ได้สนใจธรรมะเมื่อถึงจุดจบสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าต้องถึงแน่นอนไม่ต้องสงสัยเราจะระลึกถึงคุณงามความดีนะมันระลึกไม่ได้นะเพราะเราไม่ได้ทําคุณงามความดีเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีเอไว้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปทั้งโลก การส่แสวงหาทรัพย์พวกเราก็ทําทํามาหาเลี้ยงชีพพวกเราก็ทําแต่ส่วนด้านจิตใจ น, นั้นพวกเราก็อย่าประมาะททาสร้างสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆเพราะว่าบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมแล้วเนี่ยจะนําพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเพราะนั้นการพูดกันแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่ายืดยาวพอสมควรนะ ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่พวกเราท่านทั้งหลายทุ ก, ท, กท่านปราถนาสิ่งใดอยู่ในรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตรปราถนาทุกประการเทิน